เรานั่งมาสามนาทีกว่าๆดูใจออกไหมใจไม่เหมือนเดิมค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆสว่าง ใ, ใจเรามืดมืดมัวมวนั่งสบายทำความรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆใจค่อยโปล่งขึ้นโปงขึ้นความมืดความมัวก็หายไป เราไม่ต้องไปกําจัดความมืดหรอกนะเราทาแสงสว่างให้เกิดเราภาวนาวก็ไม่ต้องไปหาทางล้างกิเลสอะไรมันหรอกเราทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดกิเลสมันก็ล้างไปเองเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเราทำลายเอาวิชาอยู่ๆไปทำลายมันไม่ได้เราทำวิชาให้เกิดขึ้นคือความรู้แจ้งอริยสัจให้เกิดขึ้น อวิชาก็ถูกทำลายไปเราไม่ต้องไปทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงๆอย่างจิตมันมืดเงี้ยมันมืดหาทางแก้ดิ้นคลุกขลักุกคัหาทางแก้แก้ไม่ตกนะแล้วทำใจสบายใจสงบใจสบายใจก็สว่างขึ้นมากความมืดก็หายไปเองมันไม่มีอะไรที่ที่เที่ยง ตัวอย่างไม่เที่ยงเียมืดหรือจะสว่างไม่เที่ยงเราบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวไม่ได้เรียนเพื่อบังคับนะเรียนจนเห็นความจริงสิ่งทั้งหลายมีเหตุที่เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ค่อยๆเรียนให้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างใจของเรามืดๆนะ ค่อยสว่างขึ้นแล้วก็ตอนนี้พอฟังธรรมะมีช่วงหนึงใจฟุ้งซ่านอันนี้ค่อยสงบสงบแล้วก็กลับฟุ้งซ่านสลับกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้มีหน้าที่ไปแทรกแซงแต่หน้าที่ของเรามีแค่คอยรู้ไปจิตมืดก็รู้จิตสว่างก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้เนืองเนือง เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงรู้จนวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามตา ม, มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องไปดูสุ่มตัวอย่างดูที่ไหนแค่ดูในใจเรานี่แหละมีความเปลี่ยนแปลงเกิดให้ดูตลอดเวลาอยู่แล้วเราตั้งหลักให้ดีก็แล้วกันว่าเราไม่ได้ดูเพื่อจะไปแทรกแซงเขา ไม่ใช่มืดก็ดูให้สว่างนะสว่างแล้วก็ดูให้สว่างนี่รันดอนไม่ใช่ไม่ใช่ ม, ใชมีความทุกขเกิดขึ้นมาก็เกลียดมันอยากจะไล่มันไปอยากจะกันไม่ให้มันเกิดมีความสุขก็อยากให้มันเกิดบ่อยๆอยากให้มันเกิดนานๆอันนี้ไม่ไม่ซื่อตรงในการรู้เข้าไปแทรกแสงสภาวะ ถ้าเราหัดรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะรู้กันเป็นเดือนเป็นปีใจก็จะยอมรับนะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้มีแต่แค่นี้เองเรียนธรรมะไม่ได้มีอะไรมากดูซ้ำๆลงไปในกายดูซ้ำๆลงไปในใจเห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะ ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่งั้นเองอถ้าดูไปจนมันหนึ่งใจมันยอมรับนะเจดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปถ้าอินทรีย์เราอ่อนมากเลยเรายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นดูนานถ้าเราเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ได้ดูไม่นานละเริ่มนับถอยหลังได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีบางคนกหวันหเดือนหปีอนะไรเนี่ย บางคนวันเดียวแล้วแต่อินทรีย์ของเราแก่กล้าแค่ไหนแต่อยู่ๆอินทรีย์ไม่แก่กล้าเราต้องฝึกต้องสะสมเป็นคะแนนสะสมนะเหมือนเดี๋ยวนี้จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไหมเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเลยเด็กไม่ต้องทำอะไรวันๆ น, น, นะเ <laughs> ตรียมสอบอย่างเดียวการภาวนานมันสะสมนะสะสมความรู้ความเข้าใจ คนที่เขาภาวนาได้ผลเร็วเพราะเขาเคยทำมาก่อนเขาลำบากมาแล้วเขาถึงสบายไปดูประวัติพระสาวกนะสมัยพุทธกาลท่านบรรลุพระอราหันต์นะท่านชอบเล่าประวัติของท่านเนเทระคาถาเ ท, าทรีคาถาอะไรท่านจะอุทานบ้างอุทานธรรมะออกมาบ้างที่ท่านก็เล่าประวัติของท่านบ้าง แต่และองค์แต่และองค์นะสร้างมานานที่สร้างนานเพราะท่านไม่ได้มุ่งเอาแค่เอาตัวรอดนะแต่ละองค์แต่และองค์ท่านสร้างบารมีท่านตั้งความปรารถนาพิเศษไว้อย่างพระโมคคลาาภาษาลิบุตรนะมีความปรารถนาพิเศษอยากเป็นอักขส า, า, าวกล้วภาวนาหนึ่งอสงไขยแสนมหากับอสงไขยหนึ่ง เท่ากับสยกกำลัง148หน่วยไม่ใช่เป็นปีแต่เป็นกับไม่ใช่กับธรรมดาเป็นมหากับกับมีหลายอย่างนะอายุกับอย่างเวลานี้อายุกับคืออายุเฉลี่ยของมนุษย์นะก็ประมาณ75ปีอายุกับอีกอันหนึ่งเป็นมหากับมหากับคือตั้งแต่ จักรวาลเกิดจนจักรวาลดับหนึ่งครั้งเรียกว่ามหากรัปหนึ่งตอนหลวงพ่อเด็กๆนั่นเคยกรวดพระนนนะอ่านพุทธประวัติพระพระอานอนท์ไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าให้มีชีวิตอยู่เป็น ก, กนะรัปกัปนะนึกว่าท่านจะอยู่มาจนถึงวันนี้อยู่ไม่ถึงหรอกอยู่กัปหนึ่งสมัยพุทธกาลก็รปีอยู่ได้ไม่เกินสองกัป อย่างยุค ข, ของเรานี้นะถึงจะเก่งแค่ไหนนะอยู่ได้สองกับก็ร้อยห้าสิบปีประมาณนั้นอย่างมากแต่ละวงก็สร้างบารมีนานเพราะว่าอยากได้ของพิเศษอย่างพระเอตัทัคคะทั้งหลายในนี้ยสร้างบารมีประมาณแสนกลับแต่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระพวกเราไม่ต้องถึงขนาด น, นั้นหรอกพวกเราไม่ได้หวัง เป็นเอตทักคะเป็นอักระสาวกของเราแค่เอาตัวรอดก็บุญนักหนาแล้วบารมีพวกเราคงไม่เยอะถึงตกรุ่นมาอยู่จนป่านนี้พวกที่เขาบารมีเยอะเขาไปหมดละพวกเราบารมีอ่อนต้นทุนเราน้อยเราก็อย่าหวังว่ามันจะเร็วนักคนสมัยพุทธกาลเขาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเขาบรลพระอรหันต์หรือพระนาคา รุ่นเราเี็ดมันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้โสดาก็บุญ น, นักหนาแล้วมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านพูดแล้วพระอุปต า, ากมาเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านบอกคนรุ่นเราเนาะกว่าจะได้โสดานะบวชกันจนแก่เลยรุ่นไปได้กันตอนแก่ๆนะรุ่นหลังๆท่านว่าอาง น, นจริงไหมจริงไม่รู้หรอกนะใครจะไปรู้ว่าใครได้โสดาไหมแต่ท่านว่ามันมันน้อยลงน้อยลงนะ อินทรียพวกเราอ่อนลงอ่อนลงสิ่งยั่วยุมันมากขึ้นมากขึ้นเราลองดูเราลืมตาขึ้นมานะเรารับข้อมูลข่าวสารแล้วนะมีแต่ของยั่วกิเลสทั้งนั้นเลยเปิดมาเปิดฟังข่าวตื่นนอนมาฟังข่าวก็มีแต่เรื่องกิเลสนะมีไหมข่าวที่เป็นกุศลไม่ค่อยมีข่าวที่เป็นกุศลขายไม่ได้ข่าวกิเลสขายได้ออ งันวันๆเรารับข้อมูลอกุศลเยอะนะใจเราก็ฟุ้งซ่านเด็กๆเด็กเล็กๆนะถูกหลอกถูกยั่วยุให้บริโภคเยอะๆมากน้อยสันโดดอะไรเป็นไงไม่รู้จักแล้วโลภโลภมากไม่ได้อย่างใจอยากก็โกรธมากโทสะขึ้นสิ่งแวดล้อมของเราในยุคนี้มันไม่ค่อยเหมาะ ไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะพัฒนาจิตใจเท่าไหร่มันมีของที่ดึงที่ถ่วงจิตใจให้ตกต่ำานี้เยอะเหลือเกินเต็มไปหมดเลยนั่นเราต้องอดทนนะต้องเข้มแข็งจริงๆคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะฝ่าดาษพวกนี้ไปได้พวกเราเป็นคนส่วนน้อยน้อยอย่างมากพวกเราคิดว่าในเมืองไทยมีชาวพุทธ เก้าเอร์ซใช่ไหมย่าก็ว่าง้ก็ลดลงเรื่อยๆนะในชาวพุทธเกเปอร์เซนะของพลเมืองพวกเราคิดว่ามีชาวพุทธแท้ๆสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งไหมมีคนรักษาศีลเยอะไหมระหว่างคนมีศีลกับคนทุศีลอันไหนจะเยอะนะระหว่างคนที่ฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวกับคนที่ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไป วุ่นวายอยู่กับโลกอันไหนจะเยอะกว่ากันคนที่เจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันได้มีนับตัวได้เลยมีอย่างมากว่าเป็นหลักหมื่นเท่านั้นเองในหลายสิบล้านคนนั้นเราะฉนะนั้นเราชาวพุทธเราเป็นคนส่วนน้อยมากเลยเพราะว่าพวกที่บารมีแก่กล้าเข้าไปหมดแล้วละ่นะที่แก่กล้ามากเขาก็หลุดพ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล แก่กล้ารองลงมานะตอนนี้ก็ยังอยู่ในปรมมโลกในเทวโลกกันพวกเราพวกต่อแตะต่อแตะมาตั้งแต่พุทธกาลนะมาวันนี้พวกเราค่อยแก่กล้าขึ้นหน่อยบางคนหัดแยกธาตุแยกขันได้นะแต่ก่อนหายากนะแต่ก่อนอย่าว่าแต่แยกธาตุแยกขันเลยเมื่อ20สปีก่อนนะครูบาอาจารย์ยังมีอยู่เยอะนะแต่คนที่ภาวนา แล้วรู้สึกตัวได้มีนับตัวได้มีน้อยจริงๆแค่รู้สึกตัวนะยังไม่ถึงแยกธาตแยกขันอย่างหลวงพ่อสอนช่วงแรกๆนะถ้าใครรู้สึกตัวได้หลวงพ่อก็ชมละดีดี ด, ดนะีหายากมาถึงวันนี้นะคนที่รู้สึกตัวได้เยอะแยะประเมินไม่ออกแล้วว่าเท่าไหร่ รู้สึกตัวได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันแล้วไม่หลงนานจิตหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้ตอนนี้นับไม่ท่วนคนแยกธาตุแยกขันได้แต่ก่อนนี้แทบไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยคงประมาณเป็นหมื่นนะเป็นหลักหมื่นแต่เทียบกับคนเยอะแยะนะคนทั้งโลกมีนิดเดียวเทียบแล้วนิดเดียวเลยน้อยมากๆเลย พวกเราเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งเลยการที่เราได้ยินธรรมะนะเกี่ยวกับความรู้สึกตัวได้ยินธรรมะเรื่องการแยกธาตุแยกขันธนะ์ไม่ใช่คนทั่วๆไปจะได้ยินได้หรอกมันเป็นธรรมะในขั้นการปฏิบัตินะแล้วไม่ใช่ปฏิบัติย่อๆใยญ่ๆเป็นธรรมะที่หวังมากผลนิพพานกันจริงๆถ้าเราไม่ได้หวังถึงมากผลนิพพานไม่ต้องรู้สึกตัวก็ได้ ทำบุญให้ทานอะไรอย่างนั้นไปนะทำบุญทำทานไปถึงเวลาไปนั่งสมาธิเคลื่อนไปเคลื่อนมาแค่นั้นก็มีความสุขแล้วพวกเราไม่ได้ต้องการแค่นั้นบารมีพวกเรามาถึงวันนี้มันก็คงแก่กล้าขึ้นบ้างแล้วละ่ะถึงไม่ทันสมัยพุทธกาลนะแต่ว่ายังไม่สินส้นศาสนาพุทธไปก็ยังทันตรงกลางพุทธกาลนี่แหละต้นพุทธกาลไม่ทนันลนะ มาทานกึ่งพุทธการนี่ถึงจะน้อยก็ไม่เป็นไรคนหนึ่งก็ดีกว่าไม่มีสักคนตามใดยังมีคนศึกษาปฏิบัติอยู่สักคนหนึ่งนะเรียกว่าศาสนายังไม่สูญ น, นะในคำพีพูดถึงวันที่ศาสนาสูญไปบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินนะให้ไปประกาศว่าถ้าใคร ทรงจำพระธรรมวินัยได้สักประโยคหนึ่งนะจะให้รางวัลมากมายเลยประกาศอยู่นานไม่มีเลยไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องพระธรรมวินัยเลยอันนั้นถือว่าศูนย์ไปแล้วหมดศาสนาละราะเรายังไม่หมดธรรมะชั้นสูงในการปฏิบัติยังเหลืออยู่อยู่ที่พวกเราปฏิบัติธรรมให้สมควรกระทาหรือเปล่าเท่านั้นเอง ทำมานในขั้นทานทําทานรักษาศีลเป็นสาธารณยุคไหนสมัยไหนก็มีในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาการทําทานรักษาศีลก็มีการนั่งสมาธิก็มีแต่ไม่มีการเจริญปัญญาในขั้นวิปัสสนากรรมฐานที่จะข้ามพพข้ามชาติข้ามโลกไปนะก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานได้นะต้องรู้ก่อนวิปัสสนากรรมฐานนะต้องมีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของมันถ้าเมื่อไรเราใจลอยไปใจลอยเนี่ยรู้กายรู้ใจไม่ได้ไปเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งก็ไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ดีกว่าใจลอยที่ไม่รู้กายรู้ใจเลยงั้นใจลอยไปหลงไปเลยนีจะไปทุคตินะพวกที่มาคอยควบคุมกายควบคุมใจไม่ให้มันทําชั่ว พวกนี้ไปสุคติแต่ยังไม่ไปนิพพานมันมีเกรดของมันนะถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเลื่อนลอยไปเรื่อยๆ เ, เราจะไปทุกคติเพราะมันหลงแต่กิเลสถ้าเราคอยควบคุมตัวเองนะควบคุมกายควบคุมใจทาจําอัตตากิลมฐานนิยมันเป็นการบําเพ็ญกุศล น, นะอย่างขี้เหนียวนะยอมสละบัง mm. คับใจตัวเองให้สละ ข่มใจไหมข่มใจไหมอยากทำผิดศีลต้องข่มใจไหมในการจะไม่ให้ทำผิดศีลนะมันยังบังคับกายบังคับใจอยู่นะแต่จําเป็นดีกว่าปล่อยกายปล่อยใจถ้าปล่อยกายปล่อยใจเราจะจมลงถ้าควบพุมกายควบภุมใจนะจะลอยขึ้นแต่ไม่นิพพานนะเคยมีเทวดาองค์หนึ่งนะ ไปทูลถามพระพุทธเจ้าน่าจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สนะิบหกแล้วพระสูตรแรกเลยถ้าผิดก็ช่วยไม่ได้นะเราแก่แล้วความชราไม่ไปหน้าไขทั้งนั้นนะเท <c oughs> วดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าเนทะวดาเวลามาเฝ้าพุทธเจ้าชอบมากลางคืนทำไมไม่มากลางวันกลางวันคนอื่นไปเฝ้าเยอะเทวดาไม่อยากยุ่ง ไม่อยากเข้าไปถามปัญหาเพราะมนุษย์ถามปัญหาก็ยุ่งมากแนละ้วมากลางคืนบอกว่าในวัดที่พระเทเจ้าประทับเนี่ยสว่างไปหมดทั้งวัดเนี่ยอันนี้ต้องมีตาดูนะถึงจะเห็นถ้าไม่มีตาก็คงว่ามันมืดเหมือนเดิมเลยเทวดาไปทูลถามบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคาว่าห้วงน้ําหมายถึงกิเลสทั้งหลาย น, นั่นเอง พระองค่ามโมฆ่าได้อย่างไรเป็นพระอราหันต์ได้อย่างไรนั่นแหละท่านจะพูดท่านตอบว่าดูก่อนท่านพูดนี้ระทุกเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดเพราะนะเรียกเทวดาว่าท่านพูดนี้ระทุกท่านพูดไม่มีความทุกข์ความจริงมีไหมมีแต่เรียกให้กำลังใจไว้ก่อนนะเห็นไหมท่านพูดเพราะเพราะดูก่อนท่านผู้นี้ระทุกเนี่ยเทวดาถามพระเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรพระุทธเจ้าตอบดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดางงงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่พักเนี่ยรู้เรื่องนะแต่ไม่เพียรเนี่ยฟังไม่ออกเทวดาก็ทูลพระุทธเจ้าขอให้ขยายความพระพุทธเจ้าท่านก็ขยายความให้บอกว่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลง ถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักไม่เพียรคือไม่จมไม่ลอยนั่นเองไม่ฟูไม่แฟบนั่นเองเราข้ามโอค้าได้เพราะเราเป็นอย่างนี้แหละไม่ลอยขึ้นไม่จมลงเทวดาฟังนะบรรลุพระโสดาบันเลยพวกเราก็ฟังเหมือนเทวดาแล้วบรรลุยังเห็นไหมบารมีไม่เท่าเขาเห็นหมบารมีเขาเยอะกว่าเขาฟังพระพุทธเจ้าเรามาฟังหลวงพ่อประโมทท้ายแถวแล้ว มันบารมีไม่เท่ากันสักอย่างสู้กันไม่ได้หรอกเขาฟังเราก็ได้โสดาเราไม่ได้หรอกต้องขยายความอีกพักอยู่แปลว่าอะไรพักอยู่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสคนทั้งโลกนี้พักอยู่นะคือปล่อยตัวปล่อยใจไหลาตามกิเลส ท, ทั้งวันเลยอยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากได้กลิ่นก็ไปหากลิ่นมาดมอยากลิ้มรสก็ไปหารสมากินนะ อยากสัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรงุงอยากแต่งอยากสนุกสนานหาความเพลิดเพลินไปในกามทั้งวันสิ่งที่เรียกว่ากามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปทัพพระทั้งหลาย น, นั่นเองท่านบอกว่าถ้าพักอยู่อย่างนี้หมายถึงไม่ยอมเดินต่อไม่พัฒนาจิตวิญญาณพักอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยจมอยู่ในสังสารวัตรไม่ไม่ไปไหนเลยก็จะจมลงจมอยู่ในห่วงทุกข์ห่วงกิเลสไม่รู้จักสิ้นสุด บางทีท่านก็อธิบายว่าคําว่าพักอยู่ก็คือการสุขาริกานุโยกนะเป็นความย่อหย่อนอย่างหนึ่งคนทั้งโลกตอนนี้มันอยู่ในขั้นพักอยู่นะแล้วมันจะจมลงเหมือนว่ายน้ำนะว่ายว่ไปแล้วหยุดว่ายพักอยู่แล้วก็จมลงนะงั้นพวกเราอย่าไปอยู่นะปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส ส่วนพวกที่มีความเพียรแล้วลอยขึ้นฟูขึ้นก็คือพวกที่อยากดีอยากดีพยายามควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจให้มันดีมุ่งให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบตั้งเป้าไปที่ดีที่สุขที่สงบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งเอาดีนั่งเอาสุขนั่งเอาสงบจะทำบุญทำทานก็ยังตั้งเป้าหมายอยากโน้อนอยากนี่อยู่ก็ควบคุมตัวเองอยู่ พยายามบังคับตัวเองนะอยากอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอะไรเงี้ยนะภาคเพียรแต่ทําไปโดยมุ่งเอาเดียวสุขเอาสงบตั้งเป้าไว้ตัวนี้ตั้งเป้าไว้ตัวนี้แล้วภาคเพียรทําไปแล้วได้อะไรอย่างมากก็ได้ดีได้สุขได้สงบสิก็จะเอาเดียวสุขเอาสงบนะแต่ดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยง เอาของไม่เที่ยงเป็นสาระแก่นสารเอาของซึ่งยังไม่ใช่สาระที่แท้จริงมาเป็นสาระที่แท้จริงมันก็ดีอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็เสื่อมสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็เสื่อมสงบอยู่ชั่วคราวแล้วก็เสื่อมลอยขึ้นไปทําความดีแล้วก็ลอยขึ้นไปนะขึ้นไปสู่สุคติทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพลมขึ้นไปไปเสวยความดีความสุขความสงบผลของความดีความสุขความสงบแล้วก็หล่นลงมา ไม่ข้ามโอกค้าไม่ได้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทางสองทางนี้แหละคือความสุดโต่งสองด้านนี้แหละพุทธเจ้าบอกไม่เอาทางสายกลางมีอยู่ทางสายกลางมีอยู่นะยยถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆเลยเบื้องต้นหัดรู้สึกตัวไว้ก่อนการที่เราคอยรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเราจะไม่หลงตามกิเลสไปแต่ให้รู้ ไม่ใช่ให้เพ่งไม่ใช่ให้บังคับไม่ใช่ให้ดัดแปลงถ้าเพ่งถ้าบังคับถ้าดัดแปลงอันนี้คือการบังคับตัวเองนะมีผลถ้าเราได้เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมถึงวันหนึ่งก็เสื่อมอีกยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดพยายามรู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามนะถ้าจิตใจยังติดใจในรูปในนามอยู่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ยังกอบพบขอชาติไปไม่สิ้นสุดแสวงหารูปนามใหม่ๆขันห้าใหม่ๆไปเรื่อยๆเพราะใจยังติดอยู่แต่ถ้าจิตมีสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นขันห้าไม่ใช่สาระแก่นสารพอจิตเห็นขันห้าไม่ใช่สาระแก่นสารความหวังที่จะให้ขันห้ามันดีขันห้ามันสุขขันห้ามันสงบไม่มีมันดีไปไม่ได้หรอกมันเป็นตัวทุกข์มันสุขไปไม่ได้หรอกมันทุกข์ มันสงบมันก็สงอบอยู่ไม่ได้จริงขอกมันยังถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดถ้าเมื่อไร่เราเห็นขันห้านะตกอยู่ใต้ความจริงเห็นความจริงของรูปนามจิตจะคลายความยึดถือความยินดีในขันห้าเมื่อจิตหมดความยึดถือหมดความยินดีในขันห้าเชื้อเกิดจะถูกทำลายไปนะจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นจิตที่ยังมีเชื้อเกิดอยู่เชื้อเกิดนี้มันก็เป็นเชื้อที่ยินดีในขันห้านั่นเอง มันโง่มันมีวิชาซ่อนอยู่ในจิตดวงนี้มันไม่รู้ความจริงของทุกข์ไม่รู้ความจริงของสมุทัยไม่รู้ความจริงของนิโรธไม่รู้ความจริงของมรรคไม่รู้ความจริงของทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าขันห้านี้เป็นตัวทุกข์ยังคิดว่าจะหาทางหาขันห้าที่มีความสุขได้เพราะไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ความอยากจะให้ขันห้าเป็นสุขก็เกิดขึ้นความอยากให้ขันห้าพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้น สมูทัยก็มีขึ้นมาพอมีสมูทยัยมีความอยากขึ้นมาเนี่ยจิตก็มีความดิ้นรนจิตที่มีความดิ้นรนอยู่ไม่มีความสงบสันติรือไม่มีนิพพานไม่เห็นนิพพานงั้นเราต้องมาล้างเชื้อเกิดในใจของเราล้างความหลงผิดในใจของเราเนั่นเองล้างอาวิชชานั่นเองอยากล้างอาวิชชาได้นมีสตินี่แหละ รู้ขันห้าตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจนั่นแหละตามความเป็นจริงดูลงไปเรื่อยเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ต้องคิดหรอกมันไม่ใช่ของดีของวิเศษมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราเพียงลงผิดว่ามันดีมันวิเศษแล้วเราเลยติดอกติดใจเฟืิดเลพลิอลอนอยูนะ่ถ้าเราดูซ้ําดู ซ, ดซากนะดูแล้วดูอีกอยู่ในกายในใจนี้เราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ พวกเรายังไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะเราเห็นอย่างนี้นะอาวิชาเรามีอยู่เมื่อมันยังเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างได้เนี่ยมันยังมีทางเลือกมีทางดิ้นต่อมันก็จะดิ้นหนีความทุกข์ดิ้นไปแสวงหาความสุขจิตที่ดิ้นรนนั่นแหละห่างไกลพระนิพพานไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรารู้ความจริงแจ่มแจ้งว่าขันห้าหรือรูปนามหรือกายใจนี้เป็นทุกข์ล้นวนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขถ้าเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้จิตมันจะสลัดคืนหมดความยึดถือขันห้าจะรู้สึกเลยร่างกายเนี่ยเหมือนยืมแผ่นดินมาใช้นะยืมาธาตุมาใช้ จิตใจอะไรก็เหมือนยืมเขามาใช้ไม่ใช่ของเราสักอันเดียวมันสลัดคืนรูปคืนนามคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่ยึดถือในรูปนามในกายใจนั่นเองเมื่อเราไม่ยึดถือนะความหนักก็ไม่เกิดขึ้นในใจใจที่มีความหนักใครรู้จักหนักใจบ้างหนักหนักทุกวันเลยหนะักเพราะเรายึดถือถ้าเราไม่ยึดถือรูปนามอยู่ความหนักใจจะไม่มีปัญหามีนะ แต่ความหนักใจไม่มีเพราะ้เ ร, เรามาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญารู้ลงไปที่กายบ่อยๆรู้ลงไปที่ใจบ่อยๆนะจะรู้กายรู้ใจได้จิตต้องรู้สึกตัวเป็นก่อนอย่าหลงแพราะฉะนขั้นต้นเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดลืมกายลืมใจมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนะใช้ไม่ได้ เราต้องคอยรู้สึกตัวบ่อยๆหัดรู้สึกตัวนะเบื้องต้นจะพุทโธจะหายใจหรือทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดทำกรรมฐานขึ้นอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตที่ไม่รู้สึกตัวนั้นเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดคนทั้งโลกหลงอยู่ในโลกของความคิดนะผู้ เป็นส่วนน้อยผู้ที่ได้ฟังทำแล้วเนี่ยผู้ที่มีบุญบา ร, รมีแล้วอย่างพวกเรานี้แหละมันรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะแล้วก็ตื่นเกิดภาวะแห่งความรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวได้ก็คือมีกายเราก็รู้ว่ามีอยู่นะมีใจเราก็รู้ว่ามีอยู่เราก็จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ถ้าเราใจลอยเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ งั้นความรู้สึกตัวนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะเริ่มเดินปัญญานะนี้พอรู้สึกตัวเป็นแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆฉยรู้สึกแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจค่อยๆแยกกายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจนะแยกกันกายส่วนกายใจส่วนใจเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนเวทนาไม่ใช่กายไม่ใช่ใจสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงทั้งหลาย ก็อยู่ส่วนโอบกรวดลงทั้งหลายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่จิตใจนี่หัดแยกธาตุแยกขันตนะ์ต้องรู้สึกตัวเป็นก่อนถึงจะแยกธาตุแยกขัน์ได้แต่บางคนรู้สึกตัวแล้วเฉยเฉยไม่ยอมแยกธาตุแยกขัน์อันนั้นต้องช่วยมันคิดพิจารณาแยกธาตุแยกขัน์ไปเช่นนั่งนั่งอยู่ก็คอยคิดเอเออร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นของถูกรู้นะอะไรเงี้ยค่อยๆ ค, ค, ค, คิดไป ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกผมเป็นของถูกรู้ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของถูกรู้ค่อยๆหัดดูไปอย่างเงี้ยนะต่อไปมันแยกได้เองนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเป็นของถูกรู้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าเบื้องต้นอาจจะต้องช่วยมันคิดพิจารณาอย่างนี้แต่ต่อไปมันแยกได้เองพอแยกได้เองเราจะเดินปัญญาอัตโนมัตินะ มันจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกนะเราจะรู้เลยร่างกายไม่คงที่เวทนาเกิดขึ้นในกายเวทนาเกิดขึ้นในใจความสุขความทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นในกายในใจก็เห็นนอะมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจอยู่ต่างหากนะเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลอะกุศลก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิด เดี๋ยวเป็นจิตผู้เพง่งนะหมุนเวียนเปลียปล่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เราเห็นขันนะทั้งรูปธรรมนามารมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยมีแต่ความหมุนเวียนเปลียปล่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะทั้งหลับทั้งตื่นเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมันจะรู้เลยไม่ใช่ของดีของวิเศษความสุขเกิดขึ้นแนละ้วก็แค่ของชั่วคราวเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เดี๋ยวก็ดับกุศลเกิดขึ้นก็เป็นแค่ของชั่วคราว เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ไม่ได้จริงเดี๋ยวก็ดับนะทุกสิ่งหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยในขันห้ามีแต่ของหน้าเอื่มราามีแต่ความทุกขนะ์เนี่ยจิตเห็นความจริงอย่างนี้จิตจะคืนขันห้าให้โลกแล้วไม่ยึดถืออีกแล้วที่มันคืนไม่ได้ก็เพราะมันหวงมันหวงเพราะว่ามันดีเนี่ยเราทํำลายเชื้อเกิดได้พอมันคืนขันห้าไปนะคล้ายๆมีเมล็ดต้นไม้เมล็ดมะม่วงสักต้นหนึ่งทักเม็ดหนึ่งเนี่ย แต่ต้นอ่อนข้างในมันตายไปแล้วต้นอ่อนที่มันจะงอกขึ้นมาเป็นขันห้ามันถูกทำลายถ้าเราทําลายความเห็นผิดนะว่าจิตนี้เป็นของดีของวิเศษขันห้าเป็นของดีของวิเศษทําลายตัวนี้ได้เชื่อเกิดจะถูกทำลายไปเมื่อขันห้าไม่ใช่ของดีแล้วนะความอยากให้ขันห้ามันสุขให้มันดีให้มันสงบไม่มีแล้วรู้ว่ามันไม่ดีความอยากจะพ้นจากทุกข์ให้ขันห้าพ้นทุกข์ก็ไม่มี เห็นไหมอยากให้พ้นทุกข so, ์ก็ไม่มีนะอยากให้สุขก็ไม่มีนะเพราะรู้แจ้งแล้วว่าทุกข์แน่นอนนะเพราะรู้แจ้งอย่างนี้ไม่หมดแรงดิ้นจิตที่หมดแรงดิ้นนี่แหละจะเห็นพระนิชภานจิตที่ยังดิ้นอยู่ยังอยากอยู่นี่มีตัญหาอยู่ไม่เห็นพันิชภานนะงั้นพวกเรามีบุญแล้วนะได้ฟังธรรมงั้นฝึกรู้สึกตัวไปบ่อยๆรู้สึกตัวแล้วหญ่รู้อยู่เฉยๆดูรูปดูนามดูกายดูใจดูขันท่าทํางานเรื่อยไป วันหนึ่งเราก็จะตามพระพุทธเจ้าของเราไปน ะ, ะเชิญไปทานข้าว